พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเตรียมเงินไว้สำหรับเดินทางไกลพี่ดองครับ ร่วมกันอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับเป็นธรรมนองสรรพันยะพร้อมกันนะครับพรหมมาจารกาทิปัิสหัมปัิกาอันจริอัน ทิวรังอายาจธาสันติธาสันตาพะลาจักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชัง วันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก่อเกียรติการจนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานพิธีสมโภชพระบรมสารีฤกษธาตุพระประธานแด้สลาปฏิบัติธรรมและเสนาชนะสงเย็นวันที่ยี่สิบสองมีนาคม คือวันนี้และกการได้มาของพระบรมสารีริกธาตุคืฝ้ฝฟายคณะสงฆ์จะเป็นที่รู้กันว่าเมื่อเราจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์หรือว่าบนเสียนระรปทานหรือว่าที่ไหนๆพวกเราจะพร้อมกันไปขอพระบรมสารีริกธาตุ จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านชินพระชนอย่างเจดีของคุณแม่สีแก้ว ก, ก็เหมือนกันเราก็ได้ไปขอจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้ประทานให้แต่ท่านได้มาอย่างไรแต่ก็อาตมาเองก็ทราบว่าพระธาตุเสด็จจากเจ้าพระคุณสมเด็จ เสด็จเสด็จมาท่านให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดท่านก็ไทยใครไปขอเป็นกิจจลักษณะท่านก็ประทานให้อย่างคราวนี้เมื่อท่านล่วงนับดับขันไปแล้วพระาธาตุก็ยังก็ยังอยู่หลวงพ่อก็ให้ท่านรัตน์ขอไปทางวัดบวรท่านก็ได้มาส่งให้เมื่อเช้านี่ท่านมาแต่เมื่อวานนี่นะ หลวงพ่อไปรับเอาที่อุดอรเมื่อเช้านี่พอมาถึงแล้วก็นี่แหละได้ปฏิสถานวางไว้ตรงหน้าพระประธานนี่แหพวกนั้นเมื่อเราพวกขรรัทาญาติโยมวันนี้เมือ่อทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะเข้าไปกราบไปดูก็ได้มีทั้งหมด9ก้าองค์ที่ท่านประธานมาแล้วก็พวกนี้เช้า ในคืนนี้คืนนี้เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบลงแล้วหลวงพ่อก็จะให้คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พร้อมกับคณะสัตยาญาติโยมชีพรามที่ท่านจกคุณบวดชีพรามสินแปดให้เมื่อกี้นี่แหละใครจะนั่งสวดมนต์กับพระสงฆ์เพือจะสวดอิทธิปิโสหลวงพ่อจะหลวงพ่อคำสดอาจารย์พระครู วัดป่าบ้านเพิ่มเนี่ยท่านจะเป็นผู้นําท่านจะสวดตลอดทั้งคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่อยๆค่อยๆฟังบางทีท่านอาจจะสมโพธิทั้งคืนเป็นการนั่งภาวนาไปด้วยสวดอิติปิโสไปด้วยก่อนสุดแท้แต่คณะสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเป็นผู้พานาพวกเราพอที่จะนั่งสวดมนต์ไปด้วยกับท่านก็ได้เพราะการสวดมนต์ก็คือการภาวนานี่ยน่ะ คือทำทำให้จิตใจของเราไม่ปุงฟุ้งไปทางอื่นให้จิตใจเป็นสมาธิในการสวดตั้งใจหลับตาสวดสวดสวดนะเนี่ยเหมือนกับคําบริกรรมอย่างนั้นแหะการสวดมนต์นะทำให้จิตใจของเรา เ, เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะอะไรจิตใจปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลามานั่งนั่งสวดมนต์กับครูบาอาจารย์ทั้งสวดทิฏฐิโสนะเนี่ยกับเหมือนกับบริกรรมพุโทโธพุโทโธเต็ม พูดบริกรรมยาวหน่อยเท่านเองนะจากนั้นท่านก็จะมีการสวดมากน้อยกับดูแท้แต่เดี๋ยวท่านจะพาเป็นผู้พานำแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีการตักบาตรตอนเช้าประมาณ7โมงรวมกันเจดโมงมาพร้อมกันที่ซาลาก็คงจะจัดการบินบนทบาทพรกครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นก็ มากพราสมควรอยู่คงจะมีมาสมทบอีกวันพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกนะจากนั้นก็บินทบบาทพอบินทบบาทเสร็จแล้วก็ถวายพระตาหารพระสงฆ์เมื่อถวายพระทาหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรใครก่อนที่จะถวายพระตาหารพระสงฆ์พวกเราก็จะได้กล่าวคําถวายพระตาหารคือถวายพระพุทธปฏิมาเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็ถวายสาราปฏิบัติธรรมกับพุทธประสงค์และพุทธบริษัท4มาจากจารุรเทศน้ามาได้บําเพ็ญมานั่งภาวนาบําเพ็ญไหว้พระสวดมนต์ณนะสถานที่แห่งนี้พวกเราเป็นผู้ได้ก่อสร้างหรือว่าได้สร้างพระประธานและอบริสร้างสาราเสนาสนะสงฆ์พวกเราก็จะรับบุญกุศลจากผู้ที่มาใช้ ศาลาของเราบําเพ็ญจิตพภาวนาหรือไหว้พระสวดมนต์พวกเราก็มีส่วนได้บุญกุศลจากท่านเหล่านั้นด้วยจากนั้นก็มีการอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่นแหละอันนี้นก็คือก่อนที่จะถวายก่อนที่จะถวายพระทหารพระสงฆ์เราได้กล่าวคำถวายสงสักก่อนจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ได้ประเคนเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จัดอาหาร ประทานอาหารเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรอบหนึ่งก่อนเมื่อเมื่อพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะัทธา ญ, ญาณวงก็เชิญรับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับเข้ามาที่บนศาลาอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็จะมีเริ่มพิธีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุบนเสียญพระประธานแล้วก็เนี่ย พอกเราก็สวดอิติปิโสอิติปิโสพระควาราหังสำ ม, มาคคือบูชดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกจบทำไมจึงสวดเก้าจบเพราะว่าหลวงพ่อให้เหตุผลว่ามรกสีผลสนิพพานหนึ 4, ่งมรกสีมรคือโหดทางมรคก็ส่ผลก็สแล้วก็นิพพานหนึ่ง รวมเป็นเก้าวสวดเก้าจบเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, ธ า, ธ า, าติโยมเนอะวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นจริงก็มาร่วมกันบรรจุพระปรมสารีริกธาตุบรรจุก็คงจะบรรจุเป็นกล่องหรือว่าเป็นเหมือนกับบาทเนี่ยเล็กๆสีขาว จากนั้นเราก็บรรจุพ่ะปรุมแต่หลวงพ่อเองบอกว่าอย่าเอาทองคำหรือเอาเพชรนินจินดาไม่รับทางนั้นเพราะว่าเรากลัวว่าต่อไปภายภาคหน้าปากต่อปากคำต่อคาบอกว่ า, วาพระองค์ดํอยู่ที่วัดหลวงพ่ออินบรรจุเพชรนินจินดาอยู่ที่นั่นมากมายจากนั้นก็จะเป็นอันต ร, รายต่อองค์พระ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้ให้ของมีคุณค่ามีแต่พระพรหมสารีริกธาตุเท่านั้นกับกล่องเท่านั้นเองเอกล่องก็ไม่ใช่กล่องทองคำเป็นกล่องเหล็กขาวเรียกว่ า, เ, าเป็นสแตนเลสสีขาวอย่างบรรจุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะาจากนั้นเราจะเอาขึ้นไปบนเสียนพระแล้วก็จะพนึกด้วยกาวาปิดให้แน่น ในในนั่นก่อนเราจะใส่สำลีแต่ในในระหว่างที่เราบรรจุนั้นจะไม่ให้มีพวกเพชรดินทินตาอีกเหมือนกันพวกทองคําพวกอะไรไม่ให้มีเพราะกลัวจะเป็นพิษเป็นภัยต่อองค์พระประธานต่อไปภายภาคหน้านะอันนี้หลวงพ่อก็ขอประกาศให้คณนะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อ ก, ก็คิดเหมือนกันนะคิดโอ้เราควรจะทําพระอบทองคําบรรจุ ปนเสียงพระประทานเพราะไม่ข้ามคืนหลวงพ่อโอไม่ได้ไเราได้เราคิดผิดจะแล้วถ้าเราเอาทองคำเข้าไปปากต่อปากคำต่อคำต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานลโรคหัวโมกันะเห็นแก่ทองคำเล็กๆน้อยๆจะมาทำร้ายทำลา ย, ท ำ, ายทำบาปกรรมหนักกับพระพุทธปฏิมาไม่สมควรยิ่งที่เราจะเป็นต้นตอหรือต้นเงาของบาป อกุศลของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็เลยหยุดหยุดค็ดนะในจุดนั้นคือจะต้องเอาของที่ไม่มีคุณค่าคือคุณค่าอันสูงสุดก็คือพระบรมสารีริกธาตุอ่าเป็นเป็นคุณค่าสูงสุดทางด้านจิตใจให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เมื่อได้มากราบมาไหว้แล้วก็ล้ำลึกถึงพระพุทธพระพุทธโรภ์แต่บางคนก็บอกว่าเอ การสร้างพระเนี่ยทำไมมากราบกราบหินกราบอิฐกราบปูนกราบทรายกราบทองเหลืองทองแดงพอสร้างขึ้นมาแล้วก็กราบดูดูแล้วก็เหมือนเป็นปัญญาอ่อนแล้วเป็นคนโง่อีกลักษณะหนึ่งบางคนนะแต่หลวงพ่อบอกว่าอันนั้นมันสายตาสั้นเกินไปถ้าสายตายาวเขาจะไม่คิดกันอย่างนั้น คือเราสร้างพระพุทธรูปอย่างพระหินนินสเปนเนี่ยอันนี้หินหินนินนะนินแปวสีดาประเทศสเปนเนะี่ยหินนินสเปนเรามาแกะให้เป็นองค์พระอย่างนี้นะพอแกะขึ้นมาแล้วก็กราบเรากราบอะไรคือเรากราบพระพุทธล้ำลึกถึงพระพุทธทเจ้าเราไม่ได้กราบหินนนินสเปนนะถ้าว่าเรากราบหิน เท่านั้นเองไปหินหินทีน่ไหนเราก็จะไปกราบแต่หินเ อ, อพราะอะไรเพราะว่า เ, ออเราถือว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อันนี้ก็คือเราแกะขึ้นมาแล้วเป็นพุทธปฏิมาคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพอเรากราบหินก้อนนี้โลภเหมือนพระพุทธเจ้าเราลำเลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไร อย่างที่ลูกพ่อได้พูดที่บัญญัติศินห้าประการาคือศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าต่อโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท่วหน้ากันถ้ารักษาศินอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84% ดหมพพระธรรมขันมีมากเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อกล่าบแล้วก็กล่าบประพฤติ ถ, ถึงพระพุทธเจ้า แล้วก็กราบถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากราบถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่แนะนําบอกกล่าวให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่ากาศ ไปเห็นเล็กทองเหลืองไปเห็นทองแดงที่ไหนทองเหลืองที่ไหนก็กราบไม่ใช่เมื่อเรากราบกระดูกแม่ของเราในธาตุเราไปกระดูกกราบกระดูกพ่อแม่ของเราหรือผู้มีอุปกรณหรือกกระดูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเราไม่ใช่กราบกระดูกเรากราบพระคุณของท่านเรากราบกระดูกพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามา ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะกระดูกนี่แหละที่เรากราบอยู่เดี๋ยวนี้นะที่ท่านไดเลี้ยงดูเรามาแต่เราไม่รู้จะทำยังไงขอกราบลำลึกถึงพระคุณของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเรากราบพระคุณไม่ใช่กราบอย่างอื่นในพระไตรปิฎกก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาดูเมื่อพระพุทธเจ้าปริเนปันไปนานได้ถึงสองสรปีในพระไตรปิฎกนะ ท่านบอกว่าพยาบาพยามาล ม, มาลบกวนคู่คนพระเถระทางหลายก็เลยนิมนต์พระอุปคุดมาที่จะมาปราบพยามาลพระอุปคุดก็ขึ้นมาแต่พร ะ, ะอุปคุดเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านมีอิทธิฤทธินะ์ท่านเป็นนอนอยู่ที่เมืองนาคไปอยู่ใต้ใตบาดาลไปภาวนาอยู่บําเพ็ญอยู่ทางหนีจาก หมู่มนุษย์ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะท่านไปพักภาวนาอยู่ตามลำพังเป็นเอกเทศจากนั้นแต่เป็นผู้มีฤทธิ์เมื่อท่านจะพญาธรรมโศกฉลองอถาวรวัตถุที่ว่าสร้างไว้แปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแตนี้พญามารจะมารบกวนพระสงฆ์ทลายก่อนเห็นแต่พระอุปคตษนะ์จะที่มนที่จะปราบด้ว่ สู้กับพญามารได้กระได้บนพระอุปคฤษขึ้นมาพระอุปคฤษก็รับนะแต่พญามารก็มาจริงๆมารบกวนพระอุปคฤษห้ามก็ไม่ฟังผลที่สุดพระอุปคุตก็เลยเอาหนังหนังหมาเน่ากับวันหนังหมาเน่าใช่ไหมไปแขวนใส่คอพญามาพรพอไปแขวนใส่คอพญามารพญามารโอ้แก้ยังไงก็ไม่ออกเพระพระอุปคฤษมีฤทธิ์ที่เหนือกว่านะ ผลที่สุด ข, ขึ้นไปหาเทวราจนถึงชั้นพรมใครก็แก้ไม่ได้เขาก็บอกว่าให้กลับมาหาอุปคต์เพราะอุปคต์ต่อไปนี้พยามัน อ, อย่าไปรังแกคนอื่นเขาจะไปอายุยงคนอื่นเขานะต้องอยู่ใครกรำของใครของเราให้ต่างคนต่างอยอู่ถ้าจะว่าไปจะไปรบพวนคนอื่นเราจะไม่แก้หนังหมาเน่าออกจากขอให้มันพยามันก็ยอมทุกอย่าง ผลในสูตมันเหม็นใช่ไหนางมาเน่าใส่คอแหวนคอพญามารนะพญามานก็ยอมทุกอย่างยอมเป็นลูกศิษย์พระอุปคฤษจากนั้นพระอุปคตก็ว่าเออพญามานเราเกิดจุดท้ายภายหลังเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นรูปร่างอย่างไรนางพญามานพอจะจำแรงร่างกายให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้เราได้เห็นไหมพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไร ที่พยามาลเคยเห็นพระพุทธเจ้าน่ะนะพยามาลก็บอกได้เดี๋ยวผมจะจําแรงให้ดูหนพยามาลก็เลยจําแลงตัวเองเอให้อุปโคดตเห็นเออนี่แหละพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างนี้แหละเออากับกิริยาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเออพอพยาอุปโคดตเห็นเท่านั้นแหะนั่งคคกเข่ากราบเลยกราบพยามาลพอกราบพยามาลก็ยดๆๆพระคุณท่าน ผมเป็นพยาบาลจะเป็นผู้มีกิเลสอยู่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สมควรยิ่งที่จะมากราบตัวของข้าพเจ้าเพราะอุปคุตยังบอกว่าที่เรากราบเนี่ยเราไม่ได้กราบพยามาเ น, นะพอเราเห็นพระพุทธเจ้ารูปทรงลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเรากราบเราลึกถึงพระคุณของท่านพระพุทธเจ้าไม่ใช่กราบพยามาล น, นี่แหละ ใ ห, ให้พวกเราฟังเอาไว้คือหลักของพุทธศาสนานี่ลำลึกถึงพระคุณกราบพระคุณไม่ใช่ประกาบสิ่งวัตถุเฉยๆธรรมดาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายบางคนบางท่านได้ไดคิดได้พูดขึ้นมาบางทีมันก็สะเทือนเหมือนกันนะเพราะเหตุไยเพราะว่าการพูดแบบมองเห็นไม่ได้พูดถึงตัวนามธรรมพูดแต่ถึงรูปธรรมเท่านั้น แต่ท้อสิ่งหลักของพุทธศาสนามีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมนามธรรมคือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีคุณค่าแนวความคิดนั้นรูปธรรมก็มองเห็นเหมือนกับร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือรูปธรรมอย่างสลาทั้งนี้นนว่ารูปธรรมแต่คุณค่ามีประโยชน์ชวนเลือกนั่นคือนามธรรมในหลักของพุทธศาสนา บางท่านให้ให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมมีอะไรบ้างหลวงพ่อที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมพระพุทธเจ้าให้นะให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมก็คือท่านว่ า, รราให้ความสำคัญเรื่องของใจใจของเราในร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งด้วยกันทั้งหมดเนี่ย ในตัวของเราแต่ละคนนะมีอยู่สองท่านว่านะมีกายกับใจกายก็คือนะเหมือนกับพวกเรามองเห็นกันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ในร่างกายของเราแต่อยู่ในนั้นมีใจคือนามธรรมรู้รู้แต่พวกเราท่านทั้งหลายว่าสมองแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวิญญาณ หรือใจหรือมโนหรือวิญญาณสุดแท้แต่ท่านจะเรียกแต่ละแต่ละศัพท์แต่สรุปแล้วก็คืออันเดียวกันสรุปแล้วก็คือนา ม, มธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่พระพุทธเจ้าท่านในความสำคัญเรื่องนา ม, มธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะมะโนปุพังคาธรร ม, มามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคือถ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจคือนามธรรมเนี่ยตัวที่มองไม่เห็นน่ะสําคัญกว่าหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบเอาให้ชัดเจนให้มองเห็นได้ชัดก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับรถหลวงพ่อว่านะทีไอร่างกายของคนเราเหมือนกับร ถ, นะรรบรถแต่นามธรรมคือจิตใจ เปรียบเทียบเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับออถ้าหากว่าไม่มีคนขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้นี้ก็เหมือนกันแต่ความสำคัญนั้นถ้าหากว่ารถคันนี้ไม่มีคนขับมันจะไปได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ โชเฟอร์จะขึ้นขับรถแล้วจะกระโดดลงเหวจะไปชนต้นไม้จะไปชนอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าโชเฟอร์อนิสัยไม่ดีนิสัยนักเลงเนิสัยที่โมโหโกธานิสัยดุร้ายนะอาพอขับรถขึ้นมาแล้วก็ไปชนขู่ชนคนทำอะไรได้อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถท่าใจไม่ได้รับการอบรม ใจไม่รู้สินไม่รู้ธทรรมใจที่มีคุณค่ามีคุณธรรมในจิตใจมาใชร้ร่างกายนี้ก่อนเนี่แหละฆออ่าใครก็ได้เบียดเบียนใครก็ได้รัอองแกใครก็ได้เพราะอหล่เพราะใจของคนนั้นไม่มีคุณธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้อบรมใจที่ไหนอบรมโซเฟอร์นั่นแหะอบรมยังไงอบรมโซเฟอรนน์นี่แหละมีวิธี พพระพุทธองค์ไปฝึกไปฝึกวว่าไป เ, าเรียนรู้หรือว่าไปทดสอบทดลอง เ, อเมื่อท่านหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปทดลองตัวนี้นะไปทดลองเรื่องนามธรรมตัวนี้แนหะอแต่วันที่ได้สำเร็จคือท่านนั่งภาวนาท่านนั่งภาวนาขาขวาทับข า, ข า, ข า, ข า, ขาซ้ายหันพระพักไปทางทิศตะวันออก าาจากนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นน่ะอันนี้แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าฟังเอาไว้นะคณะทศายาโ ย, ยม ล, กลูกหลานคือที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณวันเดือนหกเพนนั่นนะ่ะ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 มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ส่งไปทางอื่นพระไทยของพระองค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌา น, านอันนี้คือเป็นวิถีของพุทธนะเะเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเพราะเกิดฌานขึ้นมาล้ำลึกชาติผลหลังได้เจ้าบอกปุเพนิวานสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละลึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพทรงยืนยันเลยเลยว่าตายแล้วไม่สูญโพด เ, เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอาตายตัวไหนเกิดตัววิญญาณน่ตัวนามธรรมตัวที่รู้ๆจนนั่นนะอ่ะเหมือนกับโซเฟอร์นะเนี่ยเมื่อรถคันนี้มันหมดสภาพแล้วใช้ไปนานมันหมดสภาพาลูกสูบมันติดาสายพานมันหลุดอะไรน็อตมันหลุดอะไรสายพานมันเสียหายแล้ว โซเฟอร์จะก็ต้องออกจากรถคันนี้จะไปขับได้ยังไงพอรถมันตายนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อแก่แก่แก่แกเข้ามาแล้วก็น้ำมรรมคือตัวผู้รู้เนี่ย่าน้ำมะทำคือใจตัวโซเฟอร์นี่ก็จนต้องออกจากร่างร่างกายออกจากร่างกายไปเกิดใหม่ไปซื้อรถคันใหม่ไปปฏิสนธิ ไปเกิดที่ใหม่นี่แหละเพราะพระพองค์ท่านรู้ท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าก่อนที่จะออกจากร่างนั่นแหะก่อนที่โซเฟอร์จะออกจากร่างตัวนั้นแหละสาคัญท้เลยถ้าว่าโซฟอร์คนนี้โซเฟอภาท่านนี้พอได้รถมาออกขับรถออกมาจากท้องแม่มาจากโรงงานไงพอออกมาแล้วท้เลยพอใหญ่ขึ้นมาก็ไม่เชื่อ ในบาปในบุญไม่เชื่อว่านรกสวรรค์ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกอพอใหญ่ขึ้นมากันพอเรียนหนังสือขึ้นมาแล้วกันนะไม่ได้ทำประกอบคุณงามความดีกินเหล้าเมายาเที่ยวสนุกสนานไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเกี่ยว่าตายแล้วสู้มันเกิดขึ้นมาเราไม่จะรู้จักต้นต่อเพราะไม่ได้รับการศึกษาไม่สนใจในการศึกษาอีกเลยในเมื่อเราอยู่ต่อไปต่อไปเมื่อถึงจุดจบ เราไม่ได้คิดว่าเราจะเราจะตายพูดง่ายๆพอออกจากร่างนี้แล้วพอรถมันติดมันแก่ท่นนี่พอมันตายแล้วท่นนี่โซเฟอร์เนะี่ยไม่ได้สะสวงหาคุณงามความดีไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้บําเพ็ญกุศลไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของตัวเองโซเฟอร์ตัวนี้ก็ออกจากจากร่างท่านนีน่พอออกจากร่างแล้วไม่รู้จะไปไหนเพราะอะไรเพราะไม่มีเงิน โซเฟอร์ไม่มีบุญพูนง่ายง่าถ้าพระโซเฟอร์มีบุญนะบำเพ็ญกุศลอย่างพระอญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านเป็นเศรษฐีท่านบําเพ็ญได้สําเร็จพระโสดาบันพอได้สําเร็จพระโสดาบันลูกๆของท่านก็เคารพนับถือท่านพอท่านป่วยหนักพอท่านป่วยหนักท่านก็บอกว่าลูกเอ้ย ไอพ่อป่วยทีคราวนี้คงจะไม่รอดอ่ะก็ข อ, อนิมนพระามาสวดกายานุปัชนาจติปฐานให้พ่อฟังดูซิพ่อจะได้ฟังพพ่ออยากจะฟังเรื่องพระท่านสวด เ, เหมือนกันเนี่ยพออีกไม่นานพวกเราจะได้ยินเสียงพระท่านสวดสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่นี้ท่านพูดสนรเสริญเรื่องกายเวทนาจิตธรรมสวดจติปฐานสี่ พอสวดไปน้อยหนึง่งพ่อท่านก็นอนหลับพอท่านกับปน ม, มือฟังผังฟังพระสวดตอนนี้ก็เทวดาชั้นต่างๆว่าข่าวนี้กหาบดีท่านนี้นะท่านจะมรณะไปเสแล้วเทวดาก็เนะ่แต่ละชั้นเอารถลงมาคอยรับทีนี้เอารถลงมาคอยรับตั้งแต่ชั้นจารุม ยามาโุชิตาตวติงสายามานิมมาลตตีเลยจนถึงชั้นพรมเพราะว่าพระโสดาบันไปถึงพรมได้แต่ท่านได้สำเร็จพระโสดาบันท่นนี้เทวดาก็เอามารอลรถกันจอดเรียงกันเลยเหมนกันเถอทางเทวดาอยู่บนรถที่จะเชิญไปนะเอ้าท่านเศรษฐีไปไปเปรถของข้าพระเจ้า คนนัง่งออบ้าเทศรษฐีมันรถไปรถของข้าพระเจ้าแต่ท่านเศรษฐีก็บอกย่างย่างย่างย่างไม่ไปไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปรอกอนรอกรอแต่ว่าพวกลูกเราไม่เห็นแต่เศรษฐีนั่นหลับตาแล้วก็พูดเพ้อไปอย่างนั้นนะจากนั้นพวกลูกทั้งหลายโอ้พ่อของเราเนี่ย นิมนต์ให้พวกเราไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดกายคตาสติสติปฐานสีให้ฟังกับละเมอเพ้อฝันอะไรก็ใหม่รู้พูดอะไรแล้วออกพูดละเมออย่างนี้เออพ่อของเราเนีเผลอใช่แล้วเออพ่อของเราเนผลอแล้วเออใครค้าว่าหลงลืมไปใชแล้วพ่อผมพากันร้องห h o ร้องไห้ขึ้นมาทีนี้พวกลูกทั้งหลายพระสงฆ์เทนโอไม่เนี่ยไม่ท่าวะ ทั้งที่เราจะสวดจติปฐานให้ฟังลูกก็ร้องให้ขึ้นมาเะยรเออลูกหลานเนี่ยจทายญาติโยมเนยแล้วครูบาจะกลับแล้วนะพวกเราจะกลับแล้วะจะได้พระสงฆ์ก็เลยกลับพอกลับไปท่เนีพ่อก็เลยได้ได้ไดไดมีสติขึ้นมาบริถามลูกอ่ะพระสงฆ์ทําไมทําไมสวดหน่อยเดียวทําไมกลับแล้วลูกโอ้ยไม่กลับได้ยังไงพ่อพ่อละเมอไปเมื่อกี้เนี่ย เออว่าที่ไหนก็บอกยาพึ่งมายาเพึ่งไปอะไรก็ไมร่รู้พ่อพูดอะไรไม่ใช่พ่อห้ามขอพ่อฟังอยู่แต่ว่าพ่อเห็นเทวดามาจอดรอมารับพ่อเออมาเชิญให้พ่อไปแต่พ่อบอกว่ายางัยางยังก่อนยังก่อนจะเพิ่งจะเพึ่งรอรอก่อนนะเออทางลูกทั้งหลายก็บอกที่ไหนพ่อเห็นไหมเดี๋ยวเห็นอยู่เนะี่ยเขาคอยอยู่กัน แล้วจะให้แต่พวกผมทำไมไม่เห็นอยากจะเห็นเหรอไ ป, ไปไปเอาพวงดอกไม้มาเขาเ็าเลย ล, ลูกสาวลูกชายาก็เลยไปจัดพวงดอกไม้มาเหมือนกับพวงมลาลัยอย่างนี้แหละอบอกว่าลูกอยากจะให้พ่อไปสวรรค์ชั้นไหนละ่ะพ่อพวกลูกก็บอกว่าไปชั้นดุสิตพ่อเพราะว่าชั้นดุสิตนีเ้เป็นที่อยู่ของพระมารดาของพระพุทธเจ้าเขาบอก สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ที่น่าอยู่มีความสุขราบรื่นดีมีความสุขมากให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตธถาะเออเอาพวงมาลามาให้พ่ อ, นะอก็เลยเอาพวงดอกไม้พวงมาลามาให้พ่อ ก, ก็ตั้งกิจอธิษฐานเออขอให้พวงมาลาดอกนี้พวงนี้ขอให้ไปเกาะงอนลดของสสวรรค์ งอนรถของสวรรค์ชั้นรุสิษฐ์ให้พวกเราให้ลูกๆได้เห็นด้วยเถิดนะจะกนั้นพอท่านยกขึ้นไปพวงมาลานก็ลอยแล้วล่องขึ้นไปอไปเกาะอยู่ที่ไปที่เกาะอยู่ที่งอนรถของสวรรค์ชั้นรุสิษฐ์พ่อท่านก็เลยหลับตาพ่อก็เลยบอกเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นฮพ่อเห็นแต่พวงมาลาแต่ไม่เห็นรถเหมือนนพ่อก็เลยบอกว่านี่แหละลูกอ พวงมาลาที่พ่อตัง้งจิตอธิษฐานยกขึ้นไปนี่ยไปห้อยอยู่ที่ไปแขวนอยู่ที่งอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะนั้นลูกทั้งหลายนะตายแล้วไม่สูญ น, นะนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นพ่อจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอย่างที่พวกลูกอยากจะไปอยากจะไปนะออขอให้ลูกทั้งหลายต้องเป็นคนดี ปฏิบัติอย่างที่พ่อพาปฏิบัตินี่แหละให้รักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเป็นคนดีสรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดีพวกลูกทั้งหลายจะได้ไปอยู่กับพ่อบนสวรรค์ชั้นดูสิตนะลูกนะเอาละท่านี้พ่อจะขอลาไปก่อนหนะ้าพ่อว่าเท่านั้นแหละ เ, เ, เศษ็จถีท่านก็เลยใจขาดาก็เลยมรณะไปนี่แหละอันนี้คือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมด เนี่ยมาในพระไตรปิฎกนะคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานออมาในพระไตรปิฎกคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้สรุปแล้วคื อ, คอตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนหลวงพ่อเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้านั่งนะ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่คือหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นท่านว่ามันหลุดได้ง่าย มันเผลอได้ง่ายมันลืมได้ง่ายเพรา ะ, ะนั้นสมทับด้วยพุทธโธด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโท่ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธมีสติสำปัญจะสม ป, สมปัญญะในพุทธโธแต่อย่าไปแต่งลมนะอย่าไปใจหายใจแบบพูดธฟาดพฟาดไปเอาคือให้เป็นตามธรรมชาติที่สุด หายใจตามปกติแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจถ้ามันเผลอไปตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นอีกถ้ามันเผลอตั้งตั้งให้เข้มแข็งอีกกำหนดให้เข้มแข็งดูดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธจากนั้นเราพยายามมีความตั้งใจมีความพยายามอยู่เสมอใจของเราจะเข้าสู่ความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พระไถ่ของพระองค์เข้าสู่ความสงบนะ เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งพอจิตใจนิ่งสงบแล้วนะสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติและจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งไม่รับรู้ทางกายเรานั่งอยู่นี่เราไม่รู้รับรู้เลยไม่รับรู้ทางกายจะเป็นเสียงอะไรเราไม่รับรู้ทั้งหมดเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงคนคุยคุยกันพูดคุยกันเราจะไม่รับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งหมด มีตัณฑ์กับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่งนั่นแหละเมื่อจิตรวมสงบถึงขนาดนั้นเป็นอัปป น, นาสมาธิระหว่างจิตที่เป็นอัปป น, นาสมาธิจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราจะรู้รู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะร่างกายกับใจนั่นแหะมันชัดเจนเหลือเกินมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับไข่อยู่ในจานจาน มีจานแล้วก็มีไข่มันอยู่ในจานไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนามธรรมกับรูปธรรมมันอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อตายร่างกายจะแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่เพราะร่างกายมันเป็นธาตุสี่แต่นามธรรมคือใจนั้นออกจากร่างเพราะออกจากร่างไปแล้วเนี่ยถ้าว่ามีบุญก็อย่างที่ว่าเหมือนกับคนมีเงินออกจากร่างไปแล้วเราจะไปเลือกสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ เราจะไปเกิดมนุษย์กลุ่มไหนก็ได้เราจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็ได้เราจะไปเกิดเป็นลูกไข่ก็ได้เออเรา เ, ออเบื่อแล้ววะโลกเนี่เราจะเกิดมาเป็นนักบวชชาติต่อไปเราก็ไปหาเลือกเกิดออผู้ที่พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เข้าวัดเข้าวาที่จะได้บวชง่ายๆ เราก็ไปไม่ไม่บวชเป็นลูกเศรษฐีลูกชายคนเดียวนะฮะถ้าเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีกต่างหากนั่นแนหะจะบวชบวชยากเลยทีนี้เพราะเขาเราพึ่งพาอาศัยเราคนเดียวเราต้องไปเกิดกับพ่อแม่ที่มีลูกหลายๆคนที่จะออกบวชได้ไง่ายๆนี่เราเลือกเกิดได้ทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีบุญนะเพราะถ้าว่าคนไม่มีบุญจะไปเลือกเกิดไม่ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณนะสัาาตยาธิโยมลูกหลานทุกท่านนะอยากจะพิสูจน์ตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาอย่าไปเดาอยา่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปเชื่อคนอื่นเขาเราต้องศึกษาและจ ะ, จจะนักกลงมือประพฤติปฏิบัติในเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วนะั่นะนะนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่บางคนโอ้มันยากเหลือเกินหลวงพ่อนั่งภาวนา พอนั่งพุโทโธพุธโทโธหน่อยเดียวหายไปรู้หายไปไหนนี่แหละอันนี้ก็คือแต่ถึงยังไงก็ไม่ไม่หนีความพยายามไม่หนีความตั้งใจเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจให้แน่วแน่่ถ้าว่ามันเผลอไปเออมันเผลอว่ะมันทำไมมันเผลอไปอย่างเอ้าตั้งบริกรรมพุโทโธให้ทีขึ้นดูซิพุโพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้มีไม่ให้มีระหว่าง ในขณะที่จิตเราคิดนะให้พุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้จิตใจของเราไม่มีช่องว่างไปทางอื่นมันจะมีสติเข้มแข็งขึ้นเลยจากนั้นก็จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายและอีกอวิธีหนึ่งก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าให้พวกเรานับดูนะออันนี้เห็นได้เร็วได้เร็วนะะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกเ็ด แต่ไม่ต้องนับเร็วนะการ น, นับตามปกติของลมหายใจเข้าออกแต่ให้มีสติเข้มแข็งนับไปถึงร้อยไม่เผลอกลับมานับหนึ่งมหมอีกเอาหลายๆเที่ยวถ้ามันจะเผล่มันจะเบอร์มันจะเบอร์เบอร์เปอเวลานับมันเป็นเลขขี้ใช่ไหมละ่ะหายเข้าหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ หนึ่งขี้สองคู่สามขี้สี่คู่ห้าขี้หกคู่นับกันไหนงั้นอะไปถึงร้อยแต่พอมันจะเบอร์เดนจนับผิดแล้วนะทึงเนี่ยหายใจเข้านับคู่หายใจออกนับขี้สลับกันไปสลับกันมาแปลว่าสติของเราขาดแล้วขาดในช่วงนั้นตั้งตอนใหม่ตั้งสติให้เข้มแข็งขี้นี่แหละวิธีการฝึกหัดสตินะวิธีการฝึกหัดสติถ้าว่าพวกเรา เลยตามเลยไม่ได้ฝึกมันจะเลยเรื่องสตินะต่อไปก็จะเป็นอันใสเมอร์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสหายญาติโยมลูกหลานนะทุกคนนะฝึกหัดเรื่องสติสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าคนมีสติแล้วจะเป็นบ้าเป็นบ่อได้ยังไงเพราะมีสติรู้อยูอ่นึกคิดเรื่องอะไรรู้อยู่เห็นอยู่ไม่เผลอนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่าน ให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดสรุปแล้วก็คือหลวงพ่ออยากจะเน้นหนักเรื่องตายแล้วไม่ศูญนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านวิธีการพิสูจน์ทําอย่างไรหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราเจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วทำอย่างไรในหลักธรรมคาสอนอันนี้ต้องศึกษาอีกทีนึง ศึกษาขั้นตอนต่อไปทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะสมถะคือทาจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจสงบแล้วก็เดินวิปัสนาเดินวิปัสนาคือวิปัสสนึกนึกคิดหาเหตุผลเหมือนกับเราหาเครื่องคิดเลขถ้าเราเราจะหารเลขคูณเลขบวกเลขน่เราก็ต้องหาหาให้มันลงตัว อันนี้ก็เหมือนกันอน่ะเวลาเราจะนั่งภาวนาเราดูข้นหาข้นหาว่าร่างกายของเราเนี่มีอะไรบ้างที่เป็นสาระที่แก่นมิตที่บินแก่นสารสคิดดูสิผมเป็นของเที่ยงใช่ไหมขนเป็นของเที่ยงเล็บเป็นของเที่ยงฟันเป็นของเที่ยงหนังเป็นของเที่ยงใช่ไหมกระดูกเป็นของเที่ยงใช่ไหมตาปลำ้ำไสเป็นของจิลังถาวรใช่ไหมของสวยงามใช่ไหมเ ท่านไล่ไล่เลียงเียงดูแล้วมันร่างกายสังขารเป็นประกอบด้วยธาตุสี่อาการ32อีกสักวันหนึ่งมันก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเห็นความเจ็บเป็นธรรมดาเห็นความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นธรรมดาในร่างกายของเราการโซเฟอร์นั่นแหละทีนี้ก็อยู่ในร่างกายของเราให้มองโซเฟอร์ให้มองรถ ให้แยกรถดูสิแยกชิ้นส่วนของรถดูสิมันเป็นยังไงรถคันนี้ให้แยกส่วนดูแยกส่วนแบ่งส่วนดูมันมีอะไรบ้างในรถคันนี้เนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าจะให้แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกาย ร, ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับรถแต่แยกดูแล้วมันไม่ใช่เรานะอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงร่างกายว่าเป็นของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟ อย่าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะใจนะั่นคือโซเฟอร์สอนโซเฟอร์เออโซเฟอร์แนะนําโซเฟอร์โซเฟอร์เตือนโซเฟอร์อย่าไปหลงว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นของเราชั่วฟ้าดินสลายเออไม่ใช่ว่าโกรธให้เกดโกรธหัวฟัดหัวเวียงจะไปฆ่าเขาจนได้เออจะไปฆ่าเขาทําไมอีกสวันหนึ่งไม่เขากเราจะต้องหนีจากกันอยู่แล้วมันไม่ถึงร้อยปีหรอกออต่างคนก็ต่างไปเราจะไปโกรธให้โงท่ทําไม อย่าเราจะไปรับใครโง่ทําไมในเมื่อไม่หลงตนเองว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานักโซเฟอร์นะอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องผูกเผาฝายทิ้งแน่ๆ น, นะโสภาะนะในเมื่อพิจารณาร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราไม่เมื่อของเรากระดูกร่างกายของเรายังไม่ใช่เราเราจะไปยึดของคนอื่นว่าเป็นของเราได้ยังไงเอ่ออย่าไปยึดสามีภรรยาลูกหลานญาติ ติโกโหติคาว่าเป็นของเราได้ยังไงอย่าไปยึดตํจดถานบรรดาศักต์ตำแหน่งวัดของหลวงพ่ออินเนี่ยวัดของป่านาคำนัำ้เป็นหลวงพ่ออินสลาหลวงพ่ออินอที่กว้างขวางศรัทธา ญ, ญาติโยมหลวงปินจะไปยึดได้อย่างไรขนาดกระดูกในร่างกายของเราเรายังไม่ใช่หลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะทิ้งอยู่แล้วจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะหลวงพ่ออินนะอย่าไปหลงนะ ให้รู้เท่ารู้ทันไหมนะหลวงพ่ออินน ะ, ะนี่แหละโซเฟอร์สอนโซเฟอร์หลวงพ่ออินสอนหลวงพ่ออินอนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหาญาดโยมลูกหลานทุกคนนะที่พูดให้ฟังนะเป็นแนวความคิดของพุทธพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอันนี้เลยเรื่องวิปัสสนาอันดับแรกเลต้องวิปัสสนึกสก่อนหาเหตุผลจากนั้นก็นมองเข้ามาหาตัวเองในเมื่อไม่หลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ไม่หลงรูออ้จักปล่อยรู้จั ก, จากวางอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะก็พวกเราก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องนั้น น, น อ, อ, อันไหนมันเกิดขึ้นเอาให้มันถูกกับสถานะ น, นั้นๆ้เราอยู่ในสถานะไหน เ, ออเราก็ทำให้มันถูกต้องตามสถานะนั้นแต่เมื่อภายนอกเราจะไม่เราจะไม่คิดนะ เ, ออเราจะทำให้ถูกต้องโลกสมมุติเขาเป็นยังไง อย่างหลวงพ่ออินชัดทาญาติโยงก็ บ, บอกว่าหลวงพ่ออินท เ, เป็นเจ้าอาวาสหรือพระพ่ออินขนาดนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่ออินมีอายุพันามากกว่าพันามากกว่าเพราะพระทุกองค์คเป็นน้องๆ้องของหลวงพ่อทั้งนั้นามาก็กราบหลวงพอ่อหลวงพ่อจะไปหลงว่าก็ข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นใหญ่ข้าพรเจ้าเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนอจะอยู่นานเท่านาน ไปหาหลงลืมตัวอย่างนั้นได้อย่างไรอีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่ออินเขาพวกน้องๆลูกๆลันหลานเขาคงจะมาเผาหลวงพ่ออินเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่ออินไม่หนีจากที่นี่เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เมื่อตายออกจากร่างนั้นนะใจของเรานะั้น่ะที่ออกจากร่างนั่นแหละเทนิงจุดนั้นแหละสําคัญเราได้สําเร็จมรรคผลหรื อ, อยังเป็นที่พอใจหรื อ, อยังได้สําเร็จเป็นพระรหัน์หรื อ, อยัง เราอยู่ในระดับไหนในขณะ น, นี้เราต้องโอปนา่าจะโกนะนะทีนี้ต้องน้อมเข้ามาต้องต้องดูตนเองอย่าหลงในตนเองมากจนเกินไปที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพ่อของนายช่างทองออท่านบอกว่าอุบาสกเธอได้คิดไว้หรือยังเธอจะต้องเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่ง เธอจะต้องเดินทางไกลเธอได้เตรียมเสบียงไว้หรือยังถ้าดีเสบียงเดินทางของเธอนี่ยได้พร้อมหรือยังที่จะเดินทางไกลอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะต้องเดินทางไกลและที่พักข้างหน้าได้คิดไว้หรือยังจะพักที่ไหนถ้าท่านต้องได้เดินถ้าท่านไม่ได้คิดไว้ก่อนนะท่านจะต้องได้รับความลําบากนะท่านจะต้องลําบากในการในการเดินทางเท่านี้แหละเอออุบาสกตอนนั้นกระสุดุ่งเลย พระพุทธองค์บอกว่าอีกสักวันหนึ่งนะท่านจะต้องตายท่านได้เตรียมสเสบียงเดินทางเตรียมบุ ญ, บญกุศลเป็นที่พอใจหรือยังเพียงพอหรือยัง เ, เมื่อท่านออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วท่านจะไปที่ไหนมีที่พักหรือยังจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนท่านได้คิดไว้หรือยังถ้าไม่คิดคิดไว้ซะนะคิดไว้ให้ดีเตรียมตัวเอาไว้วางแผนเอาไว้ ถ้าม้าท่านไม่วางแผนเอาไว้ไม่มีใครที่จะวางแผนให้ท่านนะตัวของท่านเองนะ่ะจะเป็นที่พึ่งของตนท่านของท่านเองอั ต, ตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของท่านเองนเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนอะวันนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าจะไม่พูดอะไรยาว แต่เห็นคณะรัตยาญาติโยมมาสู่วัดหลวงพ่อกับปึ้มปีติยินดีกับคณะสัตยาญาติโยมมากมายหลายหลา ย, ลายท่านหลวงพ่อก็จะแสดงความคิดเห็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้พวกเราฟังนะจะให้เชื่อเลยไหมหลวงพ่อเออขาไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ให้ฟังเอาไว้เพราะพระพุพพพทธเจ้า ของเราเนี่ยท่านบอกว่าสารีบุตรที่เราตถาคตพูดลงไปเนี่ยที่ชี้แจงให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกครั้ทั้งหลายฟังเนี่ยพวกท่านเชื่อไหมเชื่อตามที่เราพูดไหมภาษาลิบุตรเว้ยยังก่อนพระเจ้าค่ายังไม่เชื่อก่อนจนกว่าข้าพระองค์จะได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะนํากราบถูนเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านั่น ขนาดภาษาเรีบยบตรเป็นอัครส า, าวกนะั้นท่านยังปฏิเสธให้พวกน้องๆทั้งหลายใ ห, ให้ได้ฟังว่าการได้ยินจริงไหนมาก็ตามเราต้องฟังเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อพูดนะบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายนะอยากจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วศูนย์ให้พวกท่านทั้งหลายนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก่อนที่จะกําหนดลมหายใจเข้าออกนะั่นคือนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายจากนั้นทำกายให้ตรงแล้วก็บริกรรมตาตาไม่จริงหลวงพ่อในขั้นตอนนั่งสมาธินะก็อยากจะเรียนให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเป็นแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้เลยที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นพระเล็กเด่นน้อยมาก่อนกูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเวลาเรานั่งสมาธินะ ดังนั่งต่อหน้าพระประธานนก็ได้นะหรือนั่งที่ไหนก็ได้ในมุมสงบนะในสถานที่ไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันพูดกันไม่ได้ยินเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งเงียบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนั่งการนั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมมอือหลวงพ่อให้ปนมมือซะก่อนนะออคือให้ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อน ประนมือขึ้นระหว่าง อ, อกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ค, คือไหว้ครูซะก่อนที่การนั่งสมาธิไม่ใช่เราคิดได้คิดธทำไม่ใช่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์มาแล้วก็ครูบาอาจารย์แนะ น, นําสั่งสอนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรมมัรูที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านท่านท่นได้นำพระธรรมในการประพุทธปฏิบัติของพระองค์มา เป็นพระธรรมคําสอนอย่างนั้นเป็นพระธรรมคือคําสอนจากนั้นพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนํามาบอกกล่าวให้กับพวกเราเพรา ะ, ะนั้นเราก่อนที่จะนั่งสมาธิเราจรึงไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังมโฆ ส, สามจบจากนั้นก็เอามือลงฮะพ อ, อมือลงหลักบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอะไรตัวนี้นะทดลองหนักนะันธ์สัตยา ญ, ญาิโยมนะ ต้องฝึกหัดเอาไว้นะอันนี้คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเ จ, าจา้าใช่ไหให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งไม่ได้ทวีคูณทั้งสองสามครั้งเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพยายามนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบ เป็นบุญเป็นกุศลทางว่าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วนะการเชื่อในพระพุทธเจา้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเชื่อในบาปในบุญในคุณในโทษทําดีได้ดีทําชั่วไ ด, ได้ชั่วนรกสวรรค์มีหรือไม่มีจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนะเพราะฉะนั้นเรื่องทําจิตใจให้สงบเนี่ย เ, เป็นหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียว เั้ขอให้พวกเราคณะจตหายาติโยมลูกหลานทุกคนทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเรานําไปคิดพิจารณาการครองไตรตรองด้วยเหตุและผลและนํามาประพฤติปฏิบัตินั่นแหละหลวงพอมั่นใจเกิดร้อยเลยแหะที่แนะนําสั่งสอนพี่น้องลูกหลานนี่ยพอหลวงพอ่อมาปรนปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสมณเณรอายุ1112ปีเดือนนี้ก็จะเข้า70ปีแล้วนะลูกหลานนะ เดือนเมษาเนี่ยนะก็จะถึงนะเพราะนั้นวันที่27เดเนอันนี้ถือโอกาสบอกให้ลูกภห้หลานคณะสัตธาญาติโยมได้รับทราบเนะี่น้องนุ่งทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนะนี่ยหลวงนะพ่อเนี่ยอายุจะเข้า70็ดแล้วนะวันที่27เมษาเนะี่ยเป็นวันเกิดของหลวงพ่อตามว่าพวกคณะสัตธาญาติโยมก็ดีครูบาอาจารย์น้องหนุ่งทั้งหลายก็ดีขออนิมนต์ หลวงพ่อจะไม่มีดีกานิมนต์แล้วก็ไม่มีบัตรเชิญถือว่าญาติพี่น้องของหลวงพ่อที่นั่งอยู่นั่นแะคือญาติของหลวงพ่อทั้งหมดญาดติโกโหติกาถ้าผู้ใดว่างพอมีมาได้ก็เชิญมาเลยไม่ต้องเขินเขิ น, ขนไม่ต้องอายเมื่อกี้จะเข้ามาหาหลวงพ่อมาเลยถ้ามีอะไรหลวงพ่อก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนั่นแหละถ้ามีอะไรก็มีอะไรเลี้ยงเท่ามันมีฮ พวกน้องนุ่งทั้งหลายก็เหมือนกันมาถึงวัดหลวงพ่อนะ่ก็ขอให้สบายอกสบายใจหลวงพ่อตั้งใจยังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าไม่มาสู่อาวาสขอให้มาพุทธบริษัทธ์สีถ้าไม่มาสู่อาวาสขอให้ม า, ถ, า, มม า, า, า, มาถ้ามาแล้วเมื่อกลับไปแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนะ อันนี้ก็คือตังคือความปรารถนาของหลวงพ่อหลวงพ่อพร้อมที่จะต้อนรับขับสู้กับพี่น้องผู้เจตนาดีลูกหลานที่เจตนาดีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อเองเอรับทั้งหมดว่าเป็นญาติธรรม เ, เป็นญาติของเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกทุก ลูกหลานน้องนุ่งทางหลายหนะ้าคณะทตาญาติโยมทางหลายทุกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่แหละวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเดือนเมษาเนี่ยนี่มีนาอีกเดือนกว่านิดหน่อยเองนะก็เป็นวัน เ, เป็นวันหนึ่งแต่ว่าปีต่อไปอาจจะเป็นวันอาจจะเป็นเดือนกุมภาก็ได้ที่จะจัดงานทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณนะ อันนันจะคอยฟังนะคณะสัตายาธิโยมลูกหลานแต่วันยี่สิเมษาเนี่ยจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันอะไรหลวงพ่อไม่เคลื่อนไม่ย้ายวันไหนกับวันนั้นแหละผู้ใดว่างเขามาถ้าคณะสัตายาธิโยมลูกหลานผู้ใดว่างเขามาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเน่ลูกหลานเน่ อ, อยู่ที่ไหนหลวงพ่อกอับอุทิศหรือว่าอมอบบุญกุศลให้กับทุกๆ ดวงวิญญาณของลูกของหลานทุกคนอยู่นัตจตฐานที่ไดเนอร์ลูกหลานให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อเราพูดคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปถ้าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่า ในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะตามให้ผลตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฮะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้นะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรเลยนะวันนี้นะ